เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่า แต่มีราณิสงมากกว่ายันสมบัติสมประการมีองค์ประกอบ16กกว่านิตยทานที่ทําสืบกันมากว่าวิหารทานและกว่าสรระคมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พรามเขาทูลถามว่าท่านพระโคดมยันนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าการที่บุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบททั้งหลาย คือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการประพฤติผิดในกามเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการเสกของหมืนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีภารณิสงมากกว่ายันสมบัติสามประการ มีองค์ประกอบ16กว่านิตยทานที่ทําสืบกันมากว่าวิหารทานและกว่าสรณคมนี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพารณิสง์มากกว่ายันสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16กว่านิตยทานที่ทําสืบกันมากว่าวิหารทานกว่าสารณคม และกว่าสิกขาบทเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พรามเขาทูลถามว่าท่านพระโคโดมยันนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบและถึงพึงนำข้อความเต็มในสามัญญผลสูตรมาใส่ไว้ในที่นี้ ภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลและถึงบรรลุปฐมฌานอยู่นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสง์มากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆและถึงบรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตถฌานอยู่นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่า แต่มีพล า, านิสงมากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆและถึงน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะและถึงนี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีกา ร, ตรเตรียมน้อยกว่าแต่มีพล า, านิสงมากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆและถึงรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป นี้แหลเป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆพรามไม่มียันสมบัติอื่นๆที่จะดียิ่งกว่าหรือปราณี ก, กว่ายันสมบัตินี้อีกแล้ว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 ลูกโคเพศเมียแพะแกะอย่างละเจ็ดร้อยตัวได้ให้ชีวิตแก่สัตว์เหล่านั้นขอสัตว์เหล่านั้นจงได้กินกหญ้าเขียวสดได้ดื่มน้ำเย็นกระแสลมอ่อ น, ออนจงพัดถูกตัวสัตว์เหล่านั้นเถิด กูตะทันตะบรรลุโสดาปฏิพันธ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพีคาถาคือทรงประกาศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษความต่ำรามความเศร้ามองแห่งกามและอนิสงส์ในการออกบวชแก่พราหมณ์กูตะทันตะเมื่อทรงทราบว่าพราหมณ์กูตะทันตะมีจิตควรบรรลุธรรมสงบอ่ อ, อนปราศจากนิวรณ์ เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุ ก, กังสิกเทศนาคือทุกข์สมุทยัยนิโรธมักธรรมาจากสุอันไรทุลีคือกิเลสปราศจากมนทินเกิดขึ้นแก่พรามกูตทันตะบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมณทิน ควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีครั้นพราหมกูุตทันตะเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมยังลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้ากล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับพระตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิด พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีทีนั้นพรามกูตะทันตะทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกราบพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วจากไปครั้นล่วงราตรีนั้นเขาได้สั่งให้จัดของขบฉันอย่างประณีตไวในโรงพิธีบูชายันของตนแล้วให้คนไปกราบทูลพัตการ แต่พระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมได้เวลาแล้วพัฒหารเสร็จแล้วตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังโรงพิธีบูชายันของพราหมกูตันตะพร้อมกับภิกษุสงฆ์แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้จากนั้นพราหมกูตันตะได้นําของขบฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์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 แล้วส่งลูกจากอาสนะเสด็จจากไปกูฏันตะสูตรที่หจบ 6. กมหาลิสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีชื่อมหาลิเรื่องพรามณทูต ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุฏาคารสาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีเวลานั้นพราหมณทูตชาวโกศลและชาวมคตจํานวนมากมีธุระพักอยู่ในกรุงเวสาลีพราหมณทูตชาวโกศลและชาวมคตเหล่านั้นได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคโดมเป็นสากยะบุตรเสด็จออกผนวจจากสากยะตระกูล ประทับอยู่ณกูตาคารสาลาในป่ามหาวันเคกรุงเวสาลีท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขาจรไปอย่างนี้ว่าละถึงการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงต่อมาพราหมณทูตชาวโกศลและชามคตเหล่านั้นเข้าไปยังกูตาคารสาลาในป่ามหาวันสมัยนั้นท่านพระนาคิตะเป็นพระพุทธอุปถาก พระมณฑูชาวโคศนและชาวมคตเหล่านั้นเข้าไปหาท่านพระนาคิตะแล้วเรียนถามว่าท่านพระนาคิตะเวลานี้ท่านพระโคโดมนั้นประทับอยู่ที่ไหนพวกเราต้องการเข้าเฝ้าท่านพระโคโดมนั้นท่านพระนาคิตะตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานี้ไม่ใช่เวลาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคประทับหลีกเร้นอยู่ พรามนาทูตชาวโกศลและชาวมคตเหล่านั้นจึงนั่งรอณที่สมควรที่พระวิหารนั่นเองด้วยหวังว่าพวกเราได้เข้าเฝ้าท่านพระโคโดมกรจึงจะไปเรื่องเจ้าโอทัตทะลิชวี ฝ่ายเจ้าโอดทัตทลิฉวีพร้อมด้วยเจ้าลิฉวีผู้เป็นบริวารหมู่ใหญ่เสด็จเข้าไปหาท่านพระนาคิตะที่คูตาคารศาลาในป่ามหาวันทรงกราบท่านพระนาคิตะแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรทรงถามว่าท่านพระนาคิตะเวลานี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหน โยมต้องการเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านพระนาคิตะตอบว่าถวายพระพรมหาลิเวลานี้ไม่ใช่เวลาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคประทับหลีกเล่นอยู่เจ้าโอทัตทะลิชวีจึงประทับนั่งรอณที่สมควรที่พระวิหารนั้นเองด้วยหวังว่า เราได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจึงจะไปต่อมาสัมมณเนรสีหะเข้าไปหาท่านพระนาคิตะกราบท่านพระนาคิตะแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเรียนถามว่าข้าแต่ท่านพระกัสสปะผู้เจริญพวกพราหมณ์นทูตชาวโกศลและชาวมโคตจำนวนมากเข้ามาที่นี่เพื่อจะขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแม้เจ้าโอทัตทลิชวี พร้อมด้วยเจ้าลิชวีผู้เป็นบริวารหมู่ใหญ่ก็เสด็จมาที่นี่เพื่อจะขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอโอกาสเถิดขอรับขอให้หมูชนนั้นได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคบ้างท่านพระนาคิตะตอบว่าสีหะถ้าอย่างนั้นเธอจงกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบสามมณีสีหารับคําของท่านพระนาคคิตะแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ กราบพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราะนัทูตชาวโกศลและชาวมคตจํานวนมากเข้ามาที่นี่เพื่อจะขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแม้เจ้าโอดทัตทลิชวีพร้อมด้วยเจ้าลิชวีผู้เป็นบริวารหมู่ใหญ่ก็เสด็จมาที่นี่เพื่อจะขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาส ขอให้หมู่ชนนั้นได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีหะถ้าอย่างนั้นเธอจงปูอาสนะไว้ในร่มเงาวิหารสามเณรสีหะทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วไปจัดอาสนะในร่มเงาพระวิหารต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะที่สามเณรสีหะ จัดไว้ในร่มเงาพระวิหารลําดับนั้นพราหมณทูตชาวโกศลและชาวมคตเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้สนทนากับพระผู้มีพระภาคพอคุ้นเคยดีแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรฝ่ายเจ้าโอดทัตทะลิชวีพร้อมด้วยเจ้าลิชวีผู้เป็นบริวารหมู่ใหญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงกราบพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งอยู่ณที่สมควร กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วเจ้าสุนักขัตะลิชวีบุตรเข้าไปพบข้าพระองค์แล้วบอกว่ามหาลิตลอดเวลาที่ข้าพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคไม่นานเพียงสามปีได้เห็นรูปทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดแต่ไม่ได้ยินเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดที่เจ้าสุนัขขัดตาฤชวีบุตรไม่ได้ยินนั้นมีจริงหรือไม่มีจริงรสมาธิที่ภิกษุเจริญเฉพาะส่วน พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำนัดที่เจ้าสุนัขคตะลิชวีบุตรไม่ได้ยินนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีเจ้าโอทัตทะลิชวีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เจ้าสุนัขคาตะลิชวีบุตรไม่ได้ยินเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำนัด ซึ่งมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิภิกษุในธรรมวิันนี้เจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิตะวันออกแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเมื่อเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์ ในทิศตะวันออกแต่ไม่เจริญสมาธิเพ you ื่อให้ได้ยินเสียงทิพธ์เธอจึงเห็นแต่รูปทิพธ exactly. you know ์ในทิศตะวันออกแต่ไม่ได้ยินเสียงทิพธ์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพธ์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศตะวันออกแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพธ์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด ยังมีอีกมหาลิภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อจะเห็นรูปทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศใต้ละถึงในทิศตะวันตกละถึงในทิศเหนือละถึงในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด เมื่อเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์ในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําและทิศเฉียงแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์เธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์ในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําและทิศเฉียงแต่ไม่ได้ยินเสียงทิพย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ไข้พาใจให้กำหนัดในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ําและทิศเฉียงแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมหาลิภิกษุในธรรมวิไนนี้เจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด S <S เมื่อเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพในทิศตะวันออกแต่ไม่เจริญสมาธิให้ได้เห็นรูปทิพเธอจึงได้ยินแต่เสียงทิพในทิศตะวันออกแต่ไม่ได้เห็นรูปทิพข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพอันชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำนัดในทิศตะวันออกแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อเห็นรูปทิพ อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดยังมีอีกมหาลิภิกษุในธรรมวิไนนี้จเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศใต้ละถึงในทิศตะวันตกในทิศเหนือในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงแต่ไม่จเจริญสมาธิเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์ อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเมื่อเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําและทิศเฉียงแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพเธอจึงได้ยินแต่เสียงทิพในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําและทิศเฉียงแต่ไม่เห็นรูปทิพข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพ อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้เห็นรูปทิปอัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นรูปทิปและให้ได้ยินเสียงทิปอัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศตะวันออก เมื่อเจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์และให้ได้ยินเสียงทิพย์ในทิศตะวันออกเธอจึงได้เห็นรูปทิพย์และได้ยินเสียงทิพย์ในทิตะวันออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์และให้ได้ยินเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศตะวันออกยังมีอีกมหาลิ ทิ่สุในธรรมวิไนนี้เจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์และให้ได้ยินเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดในทิศใต้และถึงในทิศตะวันตกในทิศเหนือในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงเมื่อเจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นทั้งรูปทิพย์และได้ยินเสียงทิพย์ ในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําและทิศเฉียงเธอจึงได้เห็นรูปทิพย์และได้ยินเสียงทิพย์ในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําและทิศเฉียงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์และให้ได้ยินเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําและทิศเฉียงมหาลิ นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สุนัขัตตะลิชวีบุตรไม่ได้ยินเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดซึ่งมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีนั้นเจ้าอดถัานลิชวีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคคงจะมุ่งบรรลุสมาธิภาวนาทั้งสองนั้นเป็นแน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลิ ไม่ใช่พิสษจจะประพฤติพรหมจรรย์นในเราเพียงเพื่อบรรลุสมาธิภาวนาทั้งสองนี้เท่านั้นแท้จริงยังมีทาอื่นที่ดีกว่าและประนีกว่าที่ภิสษุประพฤติพรหมจรรย์นในเรามุ่งจะบรรลุ อริยผลสเจ้าอดทัตทะลิชวีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทมที่ดีกว่าและประณีกว่าที่ภิกษุประพุทธพรมจรนในพระผู้มีพระภาคมุ่งจะบรรลุนั้นคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นโสดาบันเพราะละสังโย์ได้สามอย่างไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสาเร็จสัมโพธิ ในวันข้างหน้าทมนี้แลดีกว่าและประนิกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์นในเรามุ่งจะบรรลุยังมีอีกมหาลิภิกษุเป็นสกทาคามีเพระละสังโยดได้สามอย่างบรรเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางได้มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์รมนี้แลดีกว่าและระนิกว่า ที่ภิกษุประพฤกษพระมจ ร, ร์ในเรามุ่งจะบรรลุยังมีอีกมหาลิภิกษุิไปบังเกิดเป็นโอปปาติกะเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ําได้ห้าอย่างปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกธรรมนี้แลดีกว่าและปราณีตกว่าที่พิกษุประพฤกษพระมจ ร, ร์ในเรามุ่งจะบรรลุยังมีอีกมหาลิภิกษุทําให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันธรรมนี้แลดีกว่าและปราณีตกว่าที่ภิกษุประพุติพระมจร์นในเรามุ่งจะบรรลุมหาลิธรรมเหล่านี้แลทั้งดีกว่าและปราณีตกว่าที่ภิกษุประพุติพระมจร์นในเรามุ่งจะบรรลุ อริยมรตมีองค์แปดเจ้าโอดทัตลิชวีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีทางมีข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเหล่านั้นอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิมีทางมีข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเหล่านั้นอยู่ตต เ, เ, ยเจ้าโอดทัตทะลิชวีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทางเป็นอย่างไร ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามักมีองค์8อันประเสริฐเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมันตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบ และสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้แหละคือทางนี้คือข้อปฏิบัติเพื่อบรรุรรมเหล่านั้นเรื่องนักบวชสองรูปมหาลี สมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคศิตารามเขตกรุงโกสัมพีมีนัก บ, บวชทรงรูปคือมัทยะปริภาชกและชาลิยะปริภาชกซึ่งเป็นศิษย์ของพวกทารุปติกะนัก บ, บวชผู้นิยมใช้บาดไม้เข้าไปหาเราสนทนากับเราพอคุ้นเคยดีแล้วยืนอยู่ณที่สมควรถามเราว่าท่านพระโคดมชีวากับสิริระเป็นอย่างเดียวกัน หรือว่าชีวะกับสริระเป็นคนละอย่างกันเราตอบว่าผู้มีอายุถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะบอกนักบวชทั้งสองรูปนั้นรับคำของเราแล้วเราจึงกล่าวว่าผู้มีอายุตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบละถึง พึงนำข้อความเต็มในสามัญผ ล, ลสูตรมาใส่ไว้ในที่นี้ผู้มีอายุภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลและถึงบรรลุปฐมฌานอยู่ผู้มีอายุภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอย่างนี้ควรละหรือที่จะกล่าวว่าชีวากับสิริระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวากับสิริระเป็นคนละอย่างกัน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 นักบวชทั้งสองรูปนั้นตอบว่าภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอย่างนี้ไม่ควรที่จะกล่าวว่าชีวากับศรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวากับศรีระเป็นคนละอย่างกันเรากล่าวว่าผู้มีอายุเรารู้เราเห็นอย่างนี้จึงไม่กล่าวว่าชีวากับศริระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวากับศรีระเป็นคนละอย่างกันดังนี้ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้เจ้าโอทัตทะลิชวีมีใจยินดีชื่นชมพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแหลมหาลิสูที่หจบเจ็ดชาลิยสูตร ว่าด้วยปริภาชคชื่อชาลิยะเรื่องนักบวชสองรูปข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีมีนักบวชสองรูปคือมัทิยะปริภาชคและชาลิยะปริภาชคซึ่งเป็นศิธิ์ของพวกทารุปติกะนักบวชผู้นิยมใช้บาดไม้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค สนทนากับพระผู้มีพระภาคพอคุ้นเคยแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมชีวากับสิริระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวากับสิริระเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะบอก นักบวชทั้งสองรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบละถึงพึงนำข้อความเต็มในสามัญผญลสูตรมาใส่ไว้ในที่นี้ผู้มีอายุภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แล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 หรือว่าชีวากับสริระเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเรารู้เราเห็นอย่างนี้แต่ก็ไม่กล่าวว่าชีวากับสริระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวากับสริระเป็นคนละอย่างกันและถึงบรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตฌานอยู่ผู้มีอายุ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 ชีวากับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวากับสรีระเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเรารู้เราเห็นอย่างนี้จึงไม่กล่าวว่าชีวากับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวากับสรีระเป็นคนละอย่างกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้นักบวชทั้งสองรูปนั้นมีใจยินดี ตางชื่นชมพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแลาลิยสูตรที่เจ็จบ 8. มหาสีหนาตสูตรว่าด้วยการบันเล อ, อย่างองค์อาจดังพญาราชสี เรื่องอาเจนและกัสปะเขาพระเจ้าได้สดดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกันนกะทละมรกคทยวันเขตเมืองอุชุญยาครั้งนั้นอาเจนและกัสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสนทนากับพระองค์พอคุ้นเคยแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วทูลถามว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ได้ยินมาว่า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 ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่ท่านพระโคโดมด้วยคำเท็จหรือชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำเล่าหลืออันชอบทมนั้นจะเป็นเหตุที่ควรตำหนิได้เพราะพวกข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวตู่ท่านพระโคโดมเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากัสปะสมณพรามที่กล่าวว่าพระสมณโคโดมทรงตาหนิตบะทุกชนิด ทรงคัดค้านและชี้โทษผู้บัมเพนตบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยส่วนเดียวไม่ถือว่าผู้ตรงตามที่เราพูดทั้งไม่ถือว่ากล่าวตูเราด้วยคําเท็จด้วยอาศัยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เราจึงเห็นบุคคลผู้บัมเพ็ญตบะบางคนในโลกนี้มีอาชีวะเศร้าหมองหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในอบายทุกขติ วินิบาตนรกก็มีไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มีด้วยอาศัยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เราเห็นบุคคลผู้บันเพ็ญตบะบางคนในโลกนี้อยู่เป็นทุกข์เพราะบุญน้อยหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกก็มีไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มีเรารู้การมาการไปการจุติ และการบังเกิดของคนเหล่านั้นตามความเป็นจริงอย่างนี้ฉไหนเราจากตำหนิตบะทุกชนิดหรือคัดค้านและชี้โทษผู้บาเพนตบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยส่วนเดียวเล่ากัสปะมีสมณพราหมณ์บางพวกเป็นบัณฑิตทรงภูมิปัญญามักโต้แยง้งมีท่าทางดังขมังธนูพวกเขาดูเหมือนจะกาจัดทิฐิได้ด้วยปัญญา สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทัศนะตรงกับเราในบางเรื่องไม่ตรงกันกับเราในบางเรื่องบางประเด็นที่พวกเขาว่าดีแม้เราก็ว่าดีบางประเด็นที่พวกเขาว่าไม่ดีแม้เราก็ว่าไม่ดีบางประเด็นพวกเขาว่าดีแต่เราว่าไม่ดีบางประเด็นที่พวกเขาว่าไม่ดีแต่เราว่าดีบางประเด็นที่เราว่าดีสมณพราหมณ์พวกอื่นก็ว่าดี